ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลวปู่ปโพธิญานในวันนี้คงพูดเรื่องวิปัสนาสมาธิอีกเช่นเคยหลังก่อนได้พูดถึงวิปัสสนาข้อแรกที่เรียกว่าสุภวิปัสลาาคือเป็นความจําหมายเป็นความคิดเป็นความเห็นในสิ่งที่ไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยงาม แล้วก็นําไปสู่ปัญหาสารพัดนะฮะที่จริงเรื่องเหล่านี้เรามองจากพวกสบู่ก็ได้มองจากน้าอบน้ำหอมก็ได้นะฮะมองจากเครื่องประดิษผิวต่างๆการ จ, ากจัดสีจะวี ว, วนันด้านเสริมสวยอะไรแต่อะไรที่จริงมันมันบ่งบอกให้เห็นในความปฏิกูลของร่างกายเท่านั้นแต่ว่าสังคมนั้นมันก็หลอกลวงซ้ำซากันะฮะหลอกลวงกันเองแล้วก็หลอกลวงคนดิน จนในที่สุดมันก็ยอมรับในเงื่อนไขตรงนั้นอย่างเช่นสมมติคนหนึ่งไปไปพรมน้ำหอมมาแล้วฉีดต่อมหอมมาเขาเรียกยังไงมือนะแล้กว ก, ก็เพื่อระทักว่าหอมจังคนนี้ก็ยิ้มชอบใจนะถามว่าอะไรหอมแหละมันก็น้ำหอมไม่ใช่ตัวคนหอมแต่ว่าเราก็ไปยึดติด จนกลายเป็นความจำหมายที่วิปลาสเกลกลายเคลื่อนแต่ความจริงคือไปทึกทักกับว่าตัวเองหอมทั้งทั้ที่ว่าร่างกายคนไม่หอมหรอกยาสีฟันก็ดีอะไรต่างๆตราดีที่โฆษณาอยู่ในสื่อตั้งยเนี่ยมันเป็นบ่งบอกให้เห็นถึงความไม่สวยงามแต่ว่าถามว่าทำไมจึงเกิดความสวยงามละ่ะ มันเกิดจากการกำหนดด้วยเขาเรียกว่าสุภาษัญญาคือกำหนดหมายว่ามันสวยงามกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนั้นน่าจะต้องถามว่ามันมีจริงอหมบ้าถ้ามีจริงต้องสากลนะฮะเห็นไหมว่าคนเราเกิดมาแล้วตั้งแต่จะตายอย่างเงี้ยมันจริงเลยเป็นสากลเป็นกฎคือเป็นทุกข์ศาสตร์เป็นเป็นความจริงที่แท้จริงจะไม่มีความเป็นอย่างอื่นเลย ม, มีใครที่เกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยเนี่ยแต่ว่าความสวยงามเนี่ยมันหาข้อยุติได้หรือเปล่ามันหาข้อยุติไม่ได้หลายปีมาแล้วนะมันมันมันเงียบืลยเราก็มองในแง่ในแง่ในแง่แงธรรมะนะมองในแง่พระมีการประกวดนางงามจักรกวาลแล้วก็มีท่านผู้หนึ่งก็ได้เปน็นนางงามจักรวาลมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งก็มีภาควิจารณ์เซเลเทสหมดเลย ตอนนั้นเขาเป็นนางสาวไทยนะฮะตอนที่ตอนตอนถวิจารณ์มาเนี่ยเขเป็นนางสาวไทยแล้วต่อม า, าก็ไปประกวดแล้วได้เป็นนางงามจักรวรรดิปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ฉบับถวิจารณ์ก็หันแหลกตอนก็เป็นนางสาวไทยนะจัดรถบุปผาติไปต้อนรับคุณนนทเมืองเลยอันนี้คือคือเป็นตัวอย่างหรือเชื่อเห็นว่าทั้งหมดไม่ใช่อารมณ์เห็นไหมตอนแรกก็อาจจะเป็นวิทยา พะตอนที่สองเนี่ยฝรั่งเขาการันตีมานะถ้าหากว่าเราไปฝืนคัดค้านก็หมายความว่าเรารดลดยยมตามตาไม่ถึงนะไม่ขาดอารมณ์สุนทรีอะไรอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นถ้าฝรั่งตีจามาให้แล้วรับรองนะเราไหลทันทีเลยนั้นก็แสดงให้เห็นว่าเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมเนี่ยมันค่อนข้างท้าทายสติปัญญาของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็จะไหลาตามเข้าไปไปตามเข้าไปแบบง่ายๆในข้อต่อไปนั้นเขาเรียกว่าน ja ิจจะวิปลาสคือหมายความว่ามองคลาดเคลื่อนจากความจริงว่าที่จริงทุกสิ่งเนี่ยมันเลื่อนไหลไม่มีอะไรอยู่นิ่งเลยแม้แต่ขณะเดียวเนี่ยไม่มีอะไรอยู่นิ่งเป็นการอยู่นิ่งท่งามกลางความเปลี่ยนแปลง เป็นการดำรงอยู่ทำความความเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็อยู่กับเขามาที่จริงเราเข้าใจนะแต่เปลี่ยนเปี่ยนเดี๋ยวเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในแง่มุมหรือพระเจ้าทรงสอนอย่างสมมติเรารับประทานอาหารเขาก็บอกคนที่รวมรับประทานมาเอาเ ร, รีบรับประทานเสียประเดี๋ยวจะเย็นหมายความยังไงหมายความมาความร้อนนั้นมันเปลี่ยนแปลงเป็นเย็นเพราะจริงๆอาหารนั้นมันมาจากเย็น ก็ถึงได้สกรีมระบบอรีบประทานเที่ปรเดี๋ยวจะละลายแต่ว่าความเราเข้าใจมันไม่เที่ยงไมเทงแท้แน่นอนเอาเรีบิษทํางานรีบตื่นประเดี๋ยวจะเย็นจะก่อนเดี๋ยวจะขับจะก่อนเนี่ยทํางานเดี๋ยวจะขับจะก่อนอะไรอะไรเนี่ยก็แสดงว่าเราอยู่กับมันมาตลอดนะแม้แต่กระติไทยเราอ่าพายเถอะก็พายตลาดจะวายสายบัวจะน้ํำน้ำจะน่าวน้ําขึ้นในรีบตักอะไรต่างๆเนี่ยแสดงให้เห็นถึงว่า เรายอมรับกฎของความเปลี่ยนแปลงคือกฎของความไม่เที่ยงแต่มันจะเป็นการยอม ร, รับในลักษณะคล้ายๆกับเมื่อผมไม่เข้าตาตัวเองเนี่ยมันไม่มีปัญหาแต่ว่าผมเข้าตาตัวเองแล้วก็จะมีปัญหาอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเช่นสมมุติว่าญาติพี่น้องพ่อแม่ของเพื่อนฝูงเราตายลงเราก็อธิบาย ชีแจงปลอบเพื่อนถึงร้องหมร้องไห้หในปลอบได้หยดย้อยเลยนะฮะแต่เพื่อนก็หายเศร้าโศกไป ด, <c oughs> ด้วยก็แสดงว่ามือไม่เบานะที่จริงก็เข้าใจสภาวะของชีวิตไม่เบาแต่ปัญหาว่าพอการพรัดพรากตอนนั้นเกิดขึ้นในครบอบครัวเราเราเป็นผู้ประสบความพลัดพรากแม่ตายพ่อตายพี่ตายน้องตายเนี่ยถามาตั้งหลักได้หรือไม่นั่นก็ตั้งหลักไม่ได้ ก็แสดงว่าเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงตรงนี้เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่คุ้นๆกับวัด น, นะนี่นะฮะนั่นมีบทหนึ่งที่น่าสังเกตท่านเรียกว่าปินหาปจิเวกขณะคือเป็นข้อที่พระเจ้าทรงสั่งสอนให้คนตระหนักทำใจให้ยอมรับความจริงที่มันเกิดแน่นอนแล้วก็หาประโยชน์จากมันให้ได้ก็แล้วกันโดยทรงสอนพิจารณาว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไ ม, ไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความตายไปได้ <c oughs> เราจะต้องพรพลากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ไปเรื่องใหญ่นะเพราเลยเพราะว่าตรงนี้มีปัญหาตลอดเลยตอนแก่เราก็มีปัญหาและบางทีเราก็มีปัญหากับคนอื่นที่แก่เจ็บ <c oughs> e เราก็มีปัญหา ตายเราก็ทําใจไม่ได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราตายญาติพี่น้องเราตายเนี่ยพอสัตว์เราตายชักจะดีใจเอานิยายอะไรไม่ได้ฮนะเพราะอะไรเพรจริงจริงมันเกิดมาจากความเห็นดีวิปลาถามว่าเราชอบตายไหมมันก็ถามว่าใครตายเออถ้าสัตว์ที่เราอยากให้ตายก็เกิดตายก็ดีใจพอญาติพี่น้องตัวเองตายก็เสียใจตัวเองตายก็กลัวเอานิยายไม่ได้ การประราชสูญเสียก็เหมือนกันนะเราลังจาว่าถ้าคนอื่นคนที่เราเกลียดประสบความพิบัติความสูญเสียบ้านถูกไฟไหม้อะไรแต่ไรเนี่ยรู้สึกสะใจดีรู้สึกพอใจแต่ว่าพอคนที่เรารักเกิดประสบความสูญเสียขึ้นมาประสกนั่นคือแสดงว่าเอาไว้จริงทําใจไม่ได้มันก็ต้องคิดบ่อย ปิญหาปะเจเวกขณะเนี่ยแปลว่าพิจารณาบ่อยพิจารณาหนึ่งๆพิจารณาอยู่สม่ำเสมอจนถึงทางใจยอมรับถึงความจริงที่สิ่งทั้งหลายมันเกิดไปล้เนี่ยมีสำนวนอย่างหนึ่งที่ชอบพูดกันมากนะยินบ่อยอะไรมันจะเกิดมันก็ร้องเกิดทำคล้ายๆกับพร้อมที่จะเผชิญทุกปัญหาทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นโดยไม่หวั่นไหวต่อสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าเกิดก็จริงๆก็เอาไม่อยู่ะนะมันมีคนเอาอยู่ไม่กี่คนนะแต่มีคนเขาเล่าให้ฟังะนะว่ามีคนคนหนึ่งมีความสนใจในทางการเมืองต้องการจะมาเล่นการเมืองก็มาหาหัวหน้าพักบอกขอสมัครเพื่อเป็นสมาชิกพักเพื่อจะเ ป, ป็นสมัครผู้แทนรัศดรแล้วหัวหน้าก็บอกว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณนาะเรื่องการเมืองเนี่ยที่สําคัญอย่างยิ่งต้องอดกลั้นอดทนสูงเป็นพิเศษไมาว่าเขาจะด่าวา่าเขาจะนินทาเขาจะใส่ร้ายป้ายสีก็จะกล่าวหาอย่างไงเนี่ยต้องทนให้ได้หมดถ้าไงั้นเป็นไม่ได้หรอกเมือ่อผมทนได้อย่างนั้นนี่กว่าไปคุยไปเยอะเลยหัวหน้าพักเนี่ยเขาก็มีวิธีเขาได้จะทดสอบนะ่ะแต่ก็ลืมตัวไปนะ แกไม่ได้เตรียมใจไววันนั้นพก็คุยสักถามไปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเลยพาไปเรื่อยๆนะลากไปเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งอือก็ ก, ก็ก็ได้ยินได้ยินคุ้นๆหูนะชื่อนี้นะก็มีคนก็เคยมาเล่าเคยมาเล่า ว, ว่าแม่ของคุณเนี่ยมีชู้โก้โขขึ้นเลยลูกขึ้นเลยกระโมงโชงเฉียงลั่นเละ หัวหน้าพรรคบอก เ, เห็นไหมคุณบอกว่าคุณไม่โกรธอะ่ะพอเจอกันนิดเดียวคุณโกรธ่ะเห็นไหมอันนี้คือคือการเตรียมใจเนี่ยพอมันเจอแรงกระแทกแรงๆเนี่ยมันไปไม่อยู่เพราะแนวตรงนี้บางทีเนี่ยมันมาแรงมาแรงคือมีคราวหนึ่งที่ที่มีข่าวมีข่าวท่านผู้หนึ่ง แถวแถวกระตูน้ำเนี่ยนะที่ว่าภายในครอบครัวเป็นร้านทองอะไรล้ะถูกต้นเนี่ยตายกันหมดเลยอย่างเหลือแต่เมียคนเดียวเนี่ยคือยังนึกสนใจว่าคนนี้เ้าตั้งหลักยังไงก็ทำใจยังไงจึงสามารถที่จะรักษาสภาพจิตของตัวเองไว้ได้เนี่ยคนไม่ใช่ธรรมดานะที่จริงน่าจะให้แก่มันเล่าไว้ฟังแก ค, คิดยังไงแกมองอยังไงจะทาใจยังไงจึงรักษาจิตใจเอาไว้ได้ดี ในสมัยพุทธกาลจริงก็มีตัวตนของบุคคลเยอะซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ต่อต้านต่อต้านความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แสดงให้เห็นว่าท่านก็วิปลาสเนี่ยยังมีภิกษุณีรูปหนึ่งเนี่ยสมัยท่านสาวๆเนี่ยชื่อกีสาโคตมีแล้วก็เป็นคนที่มีบุญพอดีมีเศรษฐีท่านหนึ่งนี่ทรัพย์สมบัติทั้งกลายเป็นผ่านไปหมดเลย ก็มีนักปราชเข้ามาแนะนํานะะว่ามันคงจะเป็นวิบากกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งก็คุณก็ข น, นทรัพย์สมบัติเนีบไปกองริมถนนแล้วก็ดูจิวคล้ายๆกับขายฐานอ่ะแต่ใครมาถามเรื่องฐานก็ไม่ขายก็แล้วกันแต่ถ้าใครมาบอกว่าเป็นทองเนี่ยให้ก็หยิบมาดูแต่ถ้าเป็นทองจริงในมือเขาเนี่ยก็มอบทรัพย์สมบัตินี้ให้เขาแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอมาเป็น ถูกสบายถ้าเป็นผู้ชายก็มอบลูกสาวให้เขาเธออาศัยก็อยู่ก็ตกลงก็กิสาคนตะมีเนี่ยก็ไปเห็นข้าวก็ถามว่าคนอื่นก็ขายสินค้าต่างๆเสื้อผ้าแพรพันทำไมลุงมาทองมาขายทำไมนะเขาบอกไหนทองเราลองหยิบมาดูก็หยิบมาก็ปรากฏว่าเป็นทองหมดจริงอันนี้เป็นเรื่องของผู้มีบุญนะฮะแตในการต่อมาเนี่ยเธอมีลูก ลูกกำลังน่ารักเลยตายต่างหลักไม่ได้แกไม่ยอมนะใครบอกว่าตายเนี่แกไม่ยอมเลยไม่เชื่อว่าลูกแกนอนหลับใครห้ามปรามตักเตือนให้สติยังไงก็ไม่ยอมคนก็แนะนําบอกว่านี่พระพุทธเจ้ามนะีทันรักษาได้นะโรคอย่างเนี้ยนะลองไปหาพระพุทธเจ้าดูเธอก็ไปนะไปขอให้พระเจ้ชาช่วยรักษาโรคให้รักษาโรคของลูกให้นะลูกกาลังนอนหลับ ก็ชักจะมีกลิ่นแล้วนะพระเจ้า ก, ก็ทรงมีวิธีนะบอกว่า ร, รักษาได้แต่เธอไปหาเม็ดประกาศมาสักกํามือหนึ่งที่บ้านใครก็ได้แต่มีข้อแม้นะว่าบ้านนั้นเขาคงยังไม่มีคนตายนะแต่จึงจะรักษาโรคได้เธอก็ไปนะพระคนก็ให้เยอะแต่พอถามว่าบ้านนี้เคยมีคนตายไหมก็มีคนตายทั้งนั้นเลย เสร็จแล้วแต่ละอย่างเนี่ยคือบทเรียนบทเรียนเรื่อยๆที่สะสมอยู่ภายในใจเนี่ยเหตุแม่สัญญาเนี่ยมันจะเริ่มได้ข้อมูลใหม่และมันไม่มีแต่ลาดแล้วเพราะความคิดมันจะเข้าแนวแล้วในที่สุดท่านก็คิดได้นะบ่งบอกได้เข้าใจเข้าใจแล้วก็ในที่สุดก็ฝังศพลูกตัวเองน้ำหมากฝาไว้พุทธเจา้าเจ้าก็ส่งแสดงธรรมะให้ฟังและท่านก็ได้ฟัง ถ้วันหนึงท่านมานั่งดูเปลวเทียนเนี่ยเปลวเทียนที่จุดบูชาพระเนี่ยก็นั่งดูพิจารณาถึงสังขารทั้งหลายได้จเจริญปรสนาบรรลุมพระผลเลยโดยการมองเปลวเทียนคือยังนึกถึงพอพูดถึงเปลวเทียนยังนึกถึงบทกรรบทหนึ่งซึ่งเป็นเด็กรุ่นใหม่นะไม่ทราใครเขียนก็เขียนได้คมเป็นโลกทธาตุที่ถือว่าเก่งมาก ก็บอกว่เปวเทียนละลายแท่งในสองแสงนั้ำไผ่ชีวิตมาลายไปเหลืออะไรไปทดแทนเป็นชีวทัศน์เป็นโลกทัศน์นะฮะก็เป็นวิสัยทัศน์ที่เก่งมากๆแล้วก็เป็นเด็กรุ่นนั้นในรุ่นหนุ่มๆแถวแถวสิบสี่สิบสีุ่ลาแต่เนี้ยก่อนก่อนหน้า น, นั้นนะก่อนอันนี้ก็เคยเคยเห็นเคยพบแพร่หลายที่โรงพยาบาลศิริราชก็ทำบุญอาจารย์ใหญ่เขา ตอนนี้บนไปเทศแล้วก็ได้หนังสือเออเก่งเข้าใจคิดก็ใจมองก็แนวตัวเนี้ยมันถ้าไม่เจียมใจไม่ตั้งหลักคือฐานใจไม่มั่นคงจริงแล้วใจมันจะแกว่งนะตอนตอนปิยวิปโยคเนี่ยก็นี่ท่านฟังลองสังเกตว่าบทสวดบนที่เราสวดนะโซเกฮิเปเดเวฮิโดเกฮิโดมนาเซฮิปายาเซฮิเอว่าไปเรื่ยะพกทุกจรตทั้งหลายเนี่ย เพราะทุกจรทั้งหลายนี่ส่วนใหญ่มันเกิดจากใจเป็นยึดด้วยความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นพอไม่ได้เป็นอย่างที่ตนอยากให้มันเป็นมันก็เป็นทุกข์เช่นการพรักแร้จากสัตว์จากสิ่งอันตนอันเป็นที่รักของตนนี่เราก็เป็นทุกข์ละทีนี้แตามากมันก็เป็นโศกะเป็นบริเทวะเป็นทุกข์เป็นโทมนัะเสียใจครับแค้นใจเตลิดหายไปเลยจนบางทีก็วิปริตไปก็มี แสดงว่ามันเข้าไปสู่ระดับจิตมันวิปรราลาสแล้วตั้งหลักไม่ได้นะประเภทนวิปลาสสุดๆนี่มันคือบ้านะคือบ้าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นการขาดสติอย่างแรงแต่ระดับนี้มันไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราไปมองคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงแล้วจะปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีนะฮะมันไม่ใช่ว่าปฏิเสธหมดแลอวก็จริงก็ อ, อนยายไม่ได้อย่างที่บอกแล้วนฮะ ถ้ามเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเราชอบนะแต่พอเปลี่ยนแปลงในทางไม่ดีตันเองเราไม่ชอบเสร็จได้ลาบได้ยศได้สันเซินได้รับความสุขเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่าไรก็เท่ากันนี่ยนะแต่พอเสริมลาบเสริมยศถูกมินทาประสบความทุกข์เอปฏิเสธหลักไม่เอาล่ะไม่ชอบแล้วในคติคติต่างๆที่สอนไว้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีคนก็มองพระพุทธเจ้าว่าเป็นทุกนิยม คือมองโลกในแง่ร้ายอะฮะที่ยิ่งมามองโลกในแง่จริงแล้วเราปฏิเสธความจริงเราไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงพอไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี่ก็ทําให้เราประมาทแล้วก็บางทีก็เมินเฉยละเลยทอดทิ้งสิ่งต่างๆซึ่งมันควรจะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นนิรันดินะนี่เป็นอันมากที่เรา ปล่อยไปโดยไม่แสวงหาประโยชน์จากมันโดยเฉพาะย่างยิ่งคือเช่นสมมติว่าวันเวลาเนี่ยมันเป็นเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร์มันไม่เคยอยู่นิ่งเลยแล้วมันทำเราแก่ไปทุกขณะแต่ว่ามีคนเป็นอันมากนะที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปโดยไม่ได้หาสาระประโยชน์อะไรจากตรงนั้น และเป็นแก่ประเภทอะไรล่ะโบราณนั้นพูดว่าแก่มะพร้าวเท่ามาและกอซึ่งซึ่งถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้เราอย่าลืมนะว่าวันเวลาเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกุศลอกุศ ล, ลเพราะแนวอภินาปเจาเวกขณะที่ว่าเนี่ยมันมีข้อสุดท้ายข้อที่ห้าเนี่ยทรงสอนว่า เราเปพู้มีกรรมเป็นของอตโนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมรเป็นกําเนิดมีกรรมรเป็นเผาพันุมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมมันได้ไว้จะดีหรือชั่วก็ตามจะต้องไปผู้รับผลกรรมนั้นไอ้นี่คือชัดเจนพรวาวันเวลาที่มันมันเรากําลังแก่กำลังเก็บกําลังพลาด่ากําลังตายอย่นางนี้ที่เดิมก็ตายอยู่ขนานะก็เรียกค้อ น, นี้กับเหมือนนะที่ยิ่งเราตายอยู่ทุกขนาดนะในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็ดีในแง่ของอะไรก็ดีเราก็ตายอยู่ตลอดระยะเวลาเพียงแต่ว่ามันมี ก็เาเรียกว่าสันตติคือมันไหลต่อเนื่องกันแบบกระแสไฟกระแสน้ํากระแสลมเนี่ยอะไรก็ตามจริงๆไม่ก็เกิดดับเกิดดับทยอยกันมาเป็นคลื่นไม่ได้อยู่กับที่หรือว่าเลือดลมดต่างๆลมหายใจของเราอะไรก็เหมือนกันทั้งหมดมันเป็นอาการการสันตติคือสันตติเนี่ยมันเกิดปิดบังเอาไว้แล้วก็ทําให้เรามองไม่เห็นว่าที่จริงมันเปลี่ยนแปลงไม่ต้องดูอะไรเรากินข้าวสักพักหนึ่งแล้วก็หิวละ ยังนึกถึงพระฉันข้าอ่ะนะยังข้าว่อนเช้าก็อย่างเร็วก็เจ็ดโมงเช้าอาเสร็จแล้วห้าโมงฉันนีหกนั่นก็แสดงว่ามันก็เริ่มหิวแล้วนะแต่ว่าพอภาคบ่ายตั้งเยอะเลยไม่ได้ฉันภาคบ่ายเนี่ยลองลองนับดูนะเท่าไรสิบแปดชั่วโมงอะ่ะก็ไม่ได้ฉันเนี่ยก็อยู่ได้ตอนนั้นก็แสดงว่า ความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นพอปรับตัวมันก็กลายเป็นความคุ้นเคยคือคืออยู่ได้แต่ทีนี้ถ้าเรามองมันว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้แหละสภาวะมันเป็นอย่างนี้แหละไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เราก็หาประโยชน์จากมันนะอย่างที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ได้เกี่ยวกับารเวลาว่าเวลาอย่าร่วงเลยพวกเธอทั้งหลายไปเพราะคนที่ปล่อให้การเวลาผ่านพ้นไปอย่าต้องเศร้าโศกเสียใจในการไปหลัง ควาเพียงยายามกว่าที่เพ่งกระทําชในวันนี้เถอะใครจะรู้แล้วว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้เนี่ย่วนนี้เราก็ได้นะฮะลักษณะของวิปัสสนามันเป็นการใช้ปัญญารู้เท่าทันถึงความจริงมีปัญญามีสติกับปัญญาเป็นตัวนําแล้วท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นลักขณูปนิชานคือเพ่งดูลักษณะทั้งหลายกับสิ่งทั้งหลายเนี่ยเมื่อวันเกาะกลุมก็คือเกาะกลุ่มกัน แต่เราก็ยอมรับความจริงแนวบางครั้งบางคราวเนี่ยเราพบคำสอนที่ให้ลงมองลึกลงไปโดยใช้ประสบการณ์ในชีวิตเป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจกับตัวตนของเราเนี่ยซึ่งที่จริงมันก็ไม่มีตัวตนอะไรมันกาะกลุ่มกันดูเท่านั้นเองอารมณ์ของไม่ปัชนาเนี่ยคือเรียกว่ารูปนามมีขันห้ามีอายตนาสิบสอง มีธาตุสิบแปดอินซียี่สิบสี่อินซียี่สิบเอ็ดนะแล้วก็ อ, อะไรปฏิจจสมบัติเรียสัตว์เสียอะไรแต่ลายตคุ้สรู้เป็นนามรูปเป็นนามมา ร, รมก็เป็นรูปมารมก็เป็นตัวอารมณ์พวกนี้ที่จริงมันเป็นก็เหมือนอย่างนั้นเนี่ยให้ลองสังเกตว่าเป็นส่วนผสมของ ธรรมชาติกือดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยจะเป็นหลักตัวดินน้ำลมไฟอากาศเนี่ยจะเป็นหลักแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นพวกของนามธรรมามันเป็นเข้าพันอย่างที่มันเป็นอย่างที่เราที่พระนำมาสวดในงานศพอะไรนะมีงานศพงานอะไรสิบห้าวันห้าสิบวันะอะไรต่ลอะเนี่ยมันมีข้อความตอนหนึ่งที่ว่า เมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นขอย่อมหน่ายในทุกนี้เป็นทางแห่งความบริสุทธิ์หรือทางแห่งความหมดจดเพราะแนวตัวนี้ที่เป็นเป็นปนัญหาใหญ่ก็คือมันมันเลื่อนไหลแล้วก็โดยธรรมชาติของชาวโลกเนี่ยมันประมาทประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคเหรอไม่ตรง น, นี้มันมันตกอยู่ในกฎไม่เที่ยงเ่อนั้นเลย วัยก็อนิยายไม่ได้นะฮะชีวิตก็อนิยายไม่ได้โรคภัยก็อนิยายไม่ได้ไมั่จะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เม่จะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายที่ไหนตายเมื่อไหร่เนี่ยกำหมดอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าเรารู้ได้อย่างดีว่าตายแนะ่เนี่ยชีวิตนั้นเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงรอนที่แน่นอนที่สุดเนี่ย เราก็รู้ว่าเราตายแน่จะ่ถามว่าตายที่ไหนตายเมื่ อ, อไรตายอย่างไรตายด้วยโรคอะไรต้องาอยายุเท่าไรเราก็ไม่รู้อีก<ม>การมองโลกในแนวที่ยึดโยงอยู่กับความเที่ยงแท้แล้วจะปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นสัจธรรมความเที่ยงแท้ที่จริงมันไม่มีอยู่นะความเที่ยงแท้ก็คือความเปลี่ยนแปลงเองมันเป็นนิรันด์คือเป็นความเที่ยงแท้อย่างหนึ่งว่า ธรรมชาติมนเปอย่างนี้แหละสภาวะมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครที่จะผันพลัความเป็นอย่างนี้ไปได้พลเนี่ยตัวนี้กำลึงนํามาคิดบ่อยๆมาดูบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆสะสมเอาไว้ดูอะไรก็ได้วันทีท่านบอกว่าดูขันห้าเนี่ยดูรูปเหมอก็ฟองน้ำอะนั่นดูฟองน้ำก่จะเห็นารูปมหมอก็เหมือก็ฟองน้ำมันเกาะกลุ่มกันมามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับ รูปเป็นนั้นมากเน่ยมันเกิดดับเกิดดับแล้วเกิดดับเร็วจะด้วยแต่ว่าเป็นปัญญาใหญ่ว่าต้องคิดบ่อยๆต้องนึกบ่อยๆต้องทําไว้ในใจบ่อยๆเพื่อใจจะมีพลังของสติสมัมปชัญญะรู้เท่าทันถึงความจริงนะไม่ถูกโยคลอนวันไวมากเกินไปต้องฝั่งท่าไหร่แต่ ร, ปรูปปัฏฐานในวันนี้ขอุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญเมืองกำไพบูรณ์ในธรรม ตรงมีแต่ทา่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี